หัดหนัง่งหัดทำความสงบสุปันความสงบนี่เป็นเบื้องต้นของสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะก็คือการภาวนานี่แหละการภาวนานี่เป็นงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของพวกเราจะไปเอาอย่างอื่นมาเป็นแก่นเป็นสารในแมบนี้หรอกทั้งหมดที่ควนขวายหามาไปร่ำไปเรียนมาศุกษาจบมาทั้งหลาย แขงหลายแผนได้ปริญญามาตั้งเยอะแยะแต่ความรู้มามากมายนั่นแหละเป็นประโยชน์นิดเดียวเป็นประโยชน์แต่ช่วงที่ตนเองจะอยู่จะฝันฝันหาเลี้ยงร่างกายมีเท่านั้นเนี่ยเป็นประโยชน์น้อยบางทีคนที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือมากก็ยังเลี้ยงตัวของเขาเองเลี้ยงชีวิตเลี้ยงร่างกายได้เหมือนกัน ไปนั่นสิ่งต่างๆที่เราค้นไยหามานั่นอ่ะมันไม่มีแต่นมีสารอะไรมาเทียบกับการที่เราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเนี่อันนี้แหละจึงเป็นงานของชีวิตจริงๆงานอย่างอื่นนั่นมันประปร ะ, ประกอบเฉยๆหรอกประกอบให้ร่างกายพอจะอยู่ได้เท่านั้นเมื่อร่างกายอยู่ได้แล้วนั่นละเราจะเอาไปทำอะไรถ้าคนฉลาดเขาจะทำในทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ ก็คือภาวานานี่แหละมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนเป็นประโยชน์ที่สุดนี่การภาวานาเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความทำความสงบกันก่อนถ้าจะทํางานโลกโลกนั่นะมันก็จะใช้วงสงบนิดๆหน่นนนอยๆเท่านั้นแต่ถ้าเราจะมาถึงการภาวานาที่เป็นงานที่สําคัญมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่อง ของจิตของใจซึ่งเราไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงไม่ได้ให้ความสนใจมาก่อนเลยดังนั้นเราถึงไม่เคยรู้จักเมื่อไม่รู้จักเราก็จะต้องใช้ความสงบซะก่ อ, อนเอาความให้มันตัวเองมีความสงบแล้วก็ได้ดูกันจริงๆจังๆไม่ใช่ดิ่งไปดูไปต้องหยุดเียหยุดให้มันส น, นิทแล้วก็ยืนดูให้เพ่งดูให้มันจริงจๆรๆๆิงจังมันยังจะเห็นอะไรเป็นอะไรได้จริง ไม่ใช่ดูแต่เพียงฉากสวยผิวเปินแล้วก็ผ่านไปมึนๆอย่างที่โลกก็ดูกันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราหลายปีหลายชาติก็วมันไม่ได้อะไรหรอกมันก็ได้แผลเรื่องลกโล ก, โลกแล้วก็วนไปวนมาก็มาเกิดอยู่ในนี่ชีวิตของพวกเราเนี่ยนะที่มาเกิดมันมีความหมายอยู่ไม่ใช่อยู่แค่นี้หรอกมันมีความหมายว่าเกิดมาแล้ว เราจะใช้ช่วงเวลาอายุเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันจิตใจมันพ้นจากเครื่องผูกเครื่องมัดพ้นจากเครื่องจอมเครื่องจําเสียเพราะมันมาเที่ยวเวียนเกิดเยียนตายอยู่นี่นะเกิดมาแล้วนะมันไม่เช่ว่าจะได้ของดีของดีอะไรมามันได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความเท่าแล้วก็ได้ความตายติดตามมาด้วยมันไม่ได้ดีอะไรนักหนา ทางคนที่ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่นอะ่ะก็ยังเห็นว่าเป็นเรื่องดีเปิดมาเนี่มีความสุขเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความสุขเกิดเพลินนะพออายุมากเนาะ ก, ก็ยิ่งดีเพลิดเพลินหาอยู่หากินมีเงินมีทองมีชื่อเสียงเรียงนามมีชื่อเสียงเปิดบานภาคภูมิใจนู่นแหละไปถึงจแก่แก่นู่นแหละตอเนี้ย จะไปไหนมันก็ไม่พาไปแล้วจึงเห็นว่าทรัพย์สมบัติก็ดีเงินทองกว่าดีชื่อเสียงก็ดีนะ่ะมาช่วยอะไรก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้ยจะไปไหนเขาก็ให้ไปอยู่ยานทาหนะก็มียวดยา น, านต่างๆมีสบายสบายคุณแต่ไปไม่ได้อาหารการกินมีเยอะแยะไปหมดอุดมสมบูรณ์ที่สุดของดีที่สุดในโลกก็หามาได้แต่กินไม่ได้บริโภคไม่ได้น มีอะไรได้หลายอย่างซึ่งมันในที่สุดแล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดก็จะมาเอาใจในี่แหละมาเอาใจเพราะเห็นแล้วว่าข้างนอกเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีจริงในที่สุดซึ่งไม่ได้ผู้ที่มาเกิดมาแล้วเนี่ยต้องเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นคืออะไรคือฝึกให้ใจเนี่ย ให้มันหนีไปที่จากความผูกพันเพราะมันดึงมาเทียวเกิดอยู่เรื่อยดึงมาเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บก็ตายทุกอยู่ตลอดตลอดสายทุกข์เนี่ยผู้ฉลาดเขาจะเห็นว่าไม่น่าเกิดมานี่เนี่ยเาําไ่นาไม่น่าเกิดมาแล้วจะทำยังไงเรามันถึงจะไม่เกิดที่อื่นทำไมมีใครเขาสอนหรอกวิชาเนี่ยวิธีจะไม่เกิดเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละสอนท่านบอก ผู้ที่พาไปเกิดคือใจใจที่มันไม่ฉลาดใจที่มันปรกโปร ก, ปกใจที่มันมีเยื่อมีใยนั่นแหละเยื่อใยนั่นแหละปลูกตัวมันเองทาให้ไปเที่ยวเกิดอยู่นั่นะวิธีทํำยังไงก็ตัดสายยุ่งสายใยเรี่ให้หมดตัดความปูกความพันเรียให้หมดตัดความที่จะพาให้มาเกิดเรีให้หมุดทุกอย่างมันมีอะไรความทิ่จะมาให้เกิด มีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้และวิธีจะตัดเขาจะทอยังไงเขาบอกเดินมดัดแฝเดินมัดแฝดก่อ น, นทีนสมาธิปัญญาบีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกอันนี้เราฝึกสมาธิขณะนี้เราฝึกสมาธิฝึกให้จิตตั้งมั่นมันจะตั้งมั่ น, ม, น, ม, นมันจะต้องฝึกทำไม มันจะต้องเกิดเพราะว่ามันไม่เป็นแต่ก่อนนี้มันอยู่ไปตามโลกเขาโลกเขาจะต้องให้คิดปรุงแต่งเก่งให้คิดอันนี้เราไปคิดอันนั้นแล้วไปคิดอันน้นให้มันคิดเก่งๆคิดวางแผนคิดอุบายหลอกล่อคิดอุบายแยบยนต์ต่างๆเพื่อจะฉกจะสวยเอาสินุ่นสีนี้มานั่นะเขาให้คิดอย่างนั้นหรือว่าคนเก่งเราก็คุ้นเคยมาอย่างนั้นคิดเนี่ยก็เลยจําเป็นีจะต้อง มาฝึกเจ๊ถ้าอยากให้อยู่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันเป็นสมาธิมันตั้งมั่นไม่ได้ก็เลยต้องฝึกกันการฝึกนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องใช้เวลาก็ต้องใช้ใช้ความพยายามก็ต้องใช้ใช้ความตั้งอกตั้งใจจริงก็ต้องใช้ใช้ความอดความทนก็ต้องใช้ให้หลายๆอย่างก็มารวมกันแล้วก็ฝึกจึงจะได้ความตั้งมั่นของจิตอืๆๆ เมื่อความตั้งมั่นมีแล้วก็คือมันไม่แส่ไม่สายไปกับเรื่องอะไรที่มาป๊อกป๊อแป๊บแ บ, บ, บ, บ, บมาทางตาทางหูก็ไม่เพ่นพลานไปมันก็ยืนยืนห ย, ยัดอยู่ได้เมื่อเราจะใช้พิจารณาอะไรจะมองเห็นอะไรมันก็สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนจึงจําเป็นจึงจําเป็นที่เราจะต้องหัดทำความสงบกันก่อนที่ ครูบ า, าจารย์กดีที่ไหนที่ท่านพูดท่านเทศไว้ลหลายๆนั่นแหละในที่สุดแล้วถ้าไม่มีความสงบเสียก่อนไม่เป็นประโยชน์อะไรทักอย่างจะพิจารณาอะไรจะเป็นแง่ไหนจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรออือนื่จะเป็นอสุภะหรือความตะกนโกรกท่ารังเกียจหรออือนี่จะเป็นดินน้ำพายลมหรือมันไม่เป็นสักอย่างถ้าไม่มีความสงบ ถ้าใจเราไม่มีความสงบแล้วมันไม่เป็นมันเป็นก็เป็นแต่คนอื่นเป็นแต่อาจารย์เพราะใจเราิ่สงบใจคนอื่นเขาสงบเขาเลยเป็นมีแต่ใจเราเท่านั้นมันไม่สงบมันเลื่อไม่เป็นเพราะฉะนั้นจะต้องทำยังไงฝึกฝนยังไงให้จิตใจเราลงสู่ความสงบให้มันได้อย่าได้เที่ยวไปนึกว่าจะเอาธรรมะสูงๆอย่างน้นอย่างนั้ น, อ, น, นอะไรแต่ที่ท่านได้ยิน ได้ยินท่านกล่าวมาบอกว่ารู้ทิศตาทิศรู้ใจคนอะไรอย่างนั้นอะ่ะหรือรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ในที่ลึกลับรู้เหตุการณ์อดีตอนาคตอย่าไปเอาเลยอันนั้นอะ่ะถึงอยากได้ยังไรมันก็ไม่เกิดไม่มีขึ้นมาหรอกเพราะว่าต้นเหตุที่มันจะเกิดคือความสงบความสงบ ถ้ามันเกิดมันก็เกิดอยู่คนนู้นเพราะว่าคนนู้นเขาสงบแต่มันไม่เกิดในเราเราอยากได้เท่าไรมันก็ไม่ได้จะต้องมาทำอันนี้แหละทำความสงบที่จิตทั้งตนทำให้จิตทั้งตนมีนความสงบก่อนจากนั้นเราจะต้องการอะไรพอ อ, อจะเป็นไปได้มันเริ่มอยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเกีย่ยวกับเรื่องภาวนา มีบางที่บางแห่งทัานบอกว่าไม่ต้องทาความสงบก็ได้ไม่ต้องสมถะอย่างนั้นกันพูดเฉยๆหรอกความจริงแล้วท่านเองก็ทําทความสงบเหมือนกั น, ท, นทำความสงบทําความสงบได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วท่านจริงที่จอหนาเมื่อคือแตกฉานออกมาเป็นข้ออาจข้อทำเป็นปัญญามันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้ามีอย่างนั้นละปัญญาต่างๆมันก็ไม่เกิดฤทธิ์อานาจ คุณวิเศษต่างๆมันก็ไม่เกิดจะพูดไกลๆทัไมถึงขนาดนี้แค่ว่าความจะร่มเย็นความจิตใจจะเบิกบานจิตใจจะร่มเย็นมันก็ไม่เกิดถ้ามันไม่มีความสงบเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นต้นต่อของสิ่งทั้งหลายสำหรับนักภาวนาของพวกเราเนี่โดยเฉพาะเรื่องความสงบนี่แหละเป็นเรื่องแรกที่เข้ามาะพื่อปฏิบัติธรรมกิบติธรมมาบวช สัดีเนี่ยเหมือนกันจะต้องทำอันนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องการอย่างเช่นว่าเราอยากต้องการเป็นนักภาวนาเราอยากต้องการเป็นพระดีเนนดีมีคุณภาพมันไม่เป็นอะไรให้หรอกประเดี๋ยวประเด้าก็หลุดเท่านั้นแหละประเดี๋ยวประเด้าก็หมดเสื่อมหมดต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นความสงบเกิดมีแล้วก็พยายามราักษา มันเป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนเรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินข้าวนะ่ยคนไทยกินข้าวเนี่ยพื้นฐานของมันก็ต้องมีข้าวนั่นแหละมีข้าวยืนพื้นถ้าก่อนเราจะไปกินกับอะไรเอาอะไรมาเป็นกับนั่นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องประกอบต้นพื้นยืนพื้นจริงๆต้องคือข้าวอันนี้ตรงมั้นกันข้อสรุปนี้จําเป็นจะต้องใช้ไปในในหลายที่ จะพิจารณาให้สิ่งต่างๆให้มันเห็นตามความเป็นจริงให้เป็นอนิจจังคือพันอาตมามันก็จะมีความสงบนะจากการจะบรรลุธรรมขั้นไหนโสดาสกีสักขอนาคะอรหันเนี่ยจําเป็นเจ้าของใช้ความสงบทั้งนั้นแหละไปพิจารณาสิ่งต่างๆแล้วจิตใจมันเองจะเกิดปัญญาสมควรกับธรรมะสมควรกับการบรรลุธรมม ร, ร, ร, ธรมขั้นนั้นๆต่อไปนี้ สังเทศฟองหลวงปู่ก็นั่งภาวนาตั้ง อ, อกตั้งใจให้มีความินดีในการทำความถ่อมบนืยตนเอง